การปฏิบัติกิตตภาวนาต้องอาศัยครูอาจารย์ผู้มีความชำนิชำนาญทางนี้มาแล้วจึงจะสอนถูกต้องแน่นยําและเป็นไปพวกความราบรื่นดีงาม ไม่ให้เกิดความสงสัยขัดข้องในปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนภาคปฏิบัติจึงเป็นความสำคัญมากทางด้านปริยัติเราเรียนโดยลำพังก็ได้อ่านก็เข้าใจ แต่ภาคปฏิบัตินี้แม้เราเรียนมาแล้วทางด้านปริยัติจะนำมาเป็นเครื่องดำเนินด้วยความสนิดใจหายสงสัยไปโดยลำดับอย่างนั้นไม่ได้เพราะการเรียนมานั้นเป็นความจดจำ ย่อมไม่พ้นจากความวาดภาพคิดคาดคะเนรุ่นเดาไป0ูมสีู่ห้าซึ่งไม่ใช่หลักความจริงแต่การปฏิบัตินี้เพื่อหลักความจริงโดยถ่ายเดียวเท่านั้นพอเริ่มปฏิบัติก็จะเริ่มเห็นความจริงเข้าไป ยังจอสติเข้าสู่จิตซึ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งเรื่องราวทั้งหลายก็จะทราบเรื่องราวทั้งหลายแม้จะไม่สามารถบังคับหรือถอดถอนเรื่องราวอันเป็นส่วนที่เหล็กนั้นได้ก็ตามแต่ก็ทราบว่านี่ก็คือความจริงอั น, น, นที่แสดงออกมาอยู่ไม่หยุดหยอด่อนโดยความคิดกลุ่ม <c oughs> เรื่องราวต่างๆทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันดุ่มไปหมดเมื่อมีสติก็ทราบความจริงของสัจธรรมประเภทสมุ ท, ทยัยที่แสดงออกทางด้านจิตใจเพราะเป็นปกติของมันอยู่เช่นนั้นแต่เมื่อไม่มีสติไม่เป็นภาพภาวนาย่อมไม่ทราบได้ว่า จิตมีอะไรบังคับให้ทำงานในวันหนึ่งหนึ่งนั้นมีงานอะไรบ้างที่จิตต้องจัดต้องทำอยู่ตลอดเวลาโดยไม่เป็นตัวของตัวเลยมีแต่ถูกสิ่งบังคับคือสิ่งที่เหนืออำนาจของจิตนั่นเองจนมองไม่เห็นจิตทั้งๆ ท, งที่รู้อยู่นี่คือจิต แต่สิ่งที่แฝงความ ร, รู้คือจิตนี้นั้นจิตไม่สามารถจะมองเห็นได้เลยเพราะถูกสิ่งนั้นครอบงำหรือปิดบังเอาอย่างมิจชิตเมื่อจ่อสติลงไปก็ทราบการแสดงออกของสิ่งนั้นๆโดยลำดับแล้วก็ปฏิบัติตามอุบายวิธี ที่ครูอาจารย์เคยแนะนำสั่งสอนเช่นให้พยายามทํทาำจิตให้สงบด้วยจิตภาวนาในภาคสมถะเป็นต้นแล้วก็นำทมที่ท่านสอนนั้นเข้ามาปฏิบัติบังคับจิตให้อยู่ในงานที่ทำนั้นโดยเฉพาะ อจจะเริ่มปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ก็เรียกว่าเป็นความกิงนเงินที่จิตได้ทำหน้าที่เองและได้เห็นผลที่ปรากฏขึ้นจากงานของตนอย่างประจักษ์ใจเป็นลำดับลำดาและเมื่อปรากฏผลขึ้นมาอันไม่เป็นที่แน่ใจก็จำต้อง ศึกษาแต่ถามครูวาอาจารย์ซึ่งเป็นที่แน่ใจและท่านผู้นั้นก็เป็นผู้ที่เลยผ่านมาแล้วอย่างช่ำชองการแนะนำสั่งสอนอุบายก็ถูกต้องแน่นยัางไม่ผิดพลาดไม่ให้เสียวเวลามเวลาและไม่ทำผู้มาศึกษาแต่ถามหรืออบรมนั้นให้เสียไปด้วย ภาคปฏิบัติจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้มาศึกษาจะต้องมุ่งหาคููหาอาจารย์ที่เป็นผู้มีความชำนิชานาญในทางด้านปฏิบัติทั้งเหตุและผลไม่เหมือนด้านปริยัติการสั่งสอนด้วยความไม่มั่นใจก็คือผู้สั่งสอนไม่มั่นใจในความรู้ความเป็น ซึ่งสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติของตนยังไม่เพียงพอที่จะรู้จะเห็นผลอันเป็นสิ่งที่ยืนยันได้จึงไม่สามารถที่จะแนะนําสั่งสอนคนอื่นด้วยความแน่ใจของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ฟังก็ไม่อาจแน่ใจได้หรือไม่แน่ใจได้ผลที่จะพึงเกิดก็มีน้อยด้วยเหตุนี้การปฏิบัติ จึงต้องอาศัยการอบรมศึกษาจากครูจากอาจารย์ด้วยการแนะนำพร่ำสอนด้วยการศึกษาไต่าถามการเทศนาว่าการอยู่โดยสม่ำเสมอการที่ผู้แนะนำสั่งสอนได้รู้ได้เห็นมาประจักษ์ใจทุกขั้นทุกภูมิของใจ ของธรรนั้นจึงไม่มีปัญหาอันใดในการแนะนําสั่งสอนบรรดาผู้มาศึกษาไม่มีอัดมีอัน้นไม่มีสงสัยพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดได้เต็มอัดเต็มธรรมเต็มขั้นเต็มภูมิของธรรมขั้นนั้นๆโจนทลุบุรหลงไปหมดผู้ฟังก็ฟังได้อย่างเต็มใจ โล่งใจหายสงสัยแม้ตนจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็หายสงสัยในพรวาวจิตท่านสั่งสอนนั้นเป็นที่แน่ใจเพราะเข้าใจไปดูลำดับจากการได้ยินในฝั่งของท่านอธิบายในทำขั้นต่างๆนี่เรื่องสำคัญพระกรรมฐานจึงต้องติดครูติดอาจารย์ เพราะเป็นเรื่องถอดออกจากใจดวงหนึ่งสู่ใจอีกดวงหนึ่งโดยเฉพาะม่เด็นำบทนั้นบาทนี้มาพ่้ามมาสอนกันแบบสุ่มสี่สุมห้าจะสอนเฉพาะจุดสำคัญสำคัญของผู้มาศึกษาอบรมที่ควรจะได้รับในเวลานั้นเท่านั้น ทั้งพุตรการท่านสอนกันอย่างนั้นหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงประทานพระโอวาทเสียเองสองสาวกที่เป็นครูเป็นอาจารย์ของคนบุตรทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมกับท่านซึ่งร้วนเป็นความแน่ใจของท่านออกมาจากใจจริงสอนก็เป็นที่มั่นใจ เป็นที่แน่ใจสำหรับคุณระบร ท, ที่มาศึกษาเพราะฉะนั้นผลจึงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือผลได้มากต่างกันกับสมัยปัจจุบันนี้จนเทียบกันไม่ได้ถึงโทษก็ให้เห็นโทษอย่างถึงใจตามหลักความจริงไม่ผิดเพีย้ยนเพราะท่านได้รู้โทษเห็นโทษมาอย่างนั้นจริงๆ เรื่องคุณท่านก็เทศได้อย่างเต็มไม่เต็มหน่วยให้ถึงคุณจริงๆอย่างถึงใจเพราะท่านได้เห็นคุณอย่างนั้นมาอย่างถึงใจการเทศที่เห็นทั้งโทษทั้งคุณอย่างถึงใจนี้ยึงเป็นการเพิ่มกําลังของผู้มาศึกษาให้มีความก้าวหน้าให้มีแก่จิตแจ่ใจเมื่อมีกําลังใจแล้ว ด้วยความเชื่อในโทษในคุนนั้ น, นความอุตสาหพยายามหรือความ้าคความเพียรความอดความทนนั้นนันเกี่ยวโยงกันเป็นไปเองหนุน ก, กันไปโดยลาพับคนเราเมื่อเชื่อเมื่อมีความเชื่อทั้งโทษทั้งคุณอย่างเต็มไปแล้วความมุ่งมั่นที่จะสลัดทั้งโทษที่จะ ก้าวเข้าถึงทั้งคุณย่อมมีกําลังเต็มหัวใจเลยกันเมื่อมีกําลังใจแล้วย่อมสามารถที่จะประกอบความภากเพียรได้ไม่ว่าหนักว่าเบาเพราะใจเป็นสาคัญกําลังอยู่ที่ใจจึงไม่มีอานาจหรือกําลังใดเสมอเหมือนใจนี้ได้สิ่งใดก็ตามเมื่อได้ถึงใจแล้ว ยอมสามารถทำได้ด้วยความเต่มใจการเทศจะเทศไปที่ใดก็ตามก็ไม่พ้นเรื่องจิตไปได้เพราะจิตมีอยู่กับทุกรูปทุกนามอย่าว่าแต่พระแต่หนึ่ง แม้แต่สัตว์วิญญานก็ยังมีจิตและจิตแต่และดวงละดวงที่เป็นไปอยู่ในสัตว์และสังขารทั้งหลายนั้นต้นเหตุที่จะให้เป็นเช่นนั้นเช่นนั้นแห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นมาจากอะไรนี่คือสิ่งที่มีดมืดมิ ด, มดปิดนาของสัตว์โลกทั่ ว, วไป ทั้งสามแดนโลกกฐานี้ไม่มีใครจะอย่างทราบสาหเหตุของมันว่าพาให้เกิดให้ตายพาให้เป็นรุ่มรุ่มดอนๆอนสูงสูงต่ำาเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติมาได้อย่างไรไม่มีใครทราบได้เพราะจิตเป็นสิ่งที่ละเอียดมากอยู่แล้วโดยปกติ และสิ่งที่แทรกสินอยู่ภายในจิตก็เป็นสิ่งที่ละเอียดมากพอๆกันจึงอยู่ด้วยกันได้จึงบังคับกันได้และยังมีอำนาจเนื้อจิตไปอีกจึงสามารถบังคับจิตใจให้เป็นต่างๆได้ตามความต้องการของตนแล้วจิตเราไม่สามารถจะทราบโทษทราบคุณแห่งสิ่งบังคับนั้นได้เลย จึงต้องยอมจำนนและยอมทำตามสิ่งที่มีอำนาจเหนือจิตนั้นด้วยมาจนปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้นอกเหนืออำนาจของสิ่งที่มีอำนาจปกคุมหรือบังคับอยู่นั้นเลยสารโลกจึงยอมรับยอมทุกยอมเกิดเ จ, จ็บตายเปยอมเป็นไปตามอำนาจ ของสิ่งลึกลับนั้นท่านกล่าวไว้ชัดๆสำหรับท่านผู้รู้แล้วด้วยกันผู้กล่าวก็กล่าวอย่างชัดเจนผู้ฟังก็เข้าใจอย่างชัดเจนไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อโต้แยง้งไม่มีที่คัดค้านคือคืออวิชชาปติยาสั้นข้ารา เป็นตน้นนี่ท่านพูดไว้อย่างเปิดเผยซ้ำด้วยความรู้อันเปิดเผยของท่านผู้ที่รู้อย่างเดียวกับท่านก็ฟังอย่างเปิดเผยหาที่สงสัยไม่ได้สิ่งนี้แลสิ่งที่คือสิ่งที่มีอานาจมากครอบจิตสัตว์โลกไปอย่างสนิทติดจมไม่รู้ไม่อาจจะรู้โทษของมันได้แม้แต่นิดเลยจะแสดงออกมาอันใดก็าตาม ไม่เคยสะดุดใจว่าสิ่งนี้มีอำนาจบังคับจิตใจเรานอกจากยอมจำนนไปโดยลำดับไม่ว่าจะบังคับให้คิดให้ทำแต่พูดถึงจิตแล้วก็เรียกว่าเจ้าอานาจเหนือหัวนั้นบังคับให้ทำคือบังคับให้คิดตามความต้องการของตน จิตจึงต้องคิดแล้วคิดเล่าหมุนไปรเรียนมาของเก่าของใหม่ไม่มีคําว่าเอื่มละอาไม่มีคําว่าคิดช้ําๆำซากซากไม่มีคําว่าอิจฉาละอาใจต่อความผิดของผลแม้จะวกวนไปมากี่ตลบทบทวนก็ตางไม่มีความเบื่อหน่ายอิ่มพอไม่มีความรู้สึกตัวเพราะ อำนาจอันนั้นลึกลับเกินกว่าจิตจะเห็นโทษในการแสดงออกของมันเนี่ยสัตว์โลกที่เป็นมาสิ่งนี้ครอบอยู่ที่หัวใจไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในสามแดนโลกธาตุนี้จะรู้โทษของมันได้โดยลำพังตัวเองมีพระพุทธเจ้าเท่านั้น ปเป็นเบื้องต้นได้ทรงพินิษพิจารณาค้นหาเหตุหาผลหาต้นหาปลายของความเกิดความตายดังที่มีในพระประวัติท่านว่าเมื่อมีมืดแล้วก็ต้องมีแจ้งเป็นคู่กันมีเกิดมีตายเป็นคู่กันแล้วเมื่อมีเกิดมีตายแล้วความไม่เกิดก็คงมีเป็นเหตุที่จะให้พระองค์สนพระทัยพินิษ์พิจารณา มี่ขอสรุปความ อ, อมาเลยว่าวาละสุดท้ายก็พ้นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นนักพ้นคว้าหาเหตุหาผลไปไม่ได้จนได้ตรัสรู้ธรรมคำว่าตรัสรู้ธรรมก็คือทำลายกองแห่งวัตตะซึ่งครอบหัวใจนั้นออกจากใจได้อย่างโดยชิ่นเชงนั้นแหละ เมื่อทรงทราบชัดเจนและได้ทำลายอวิชาปัจจัยสาร้างข้าลานี้ออกจากพระไทยจนหมดชิ่นไปไม่มีเหลือแล้วจึงประกาศพระ อ, องค์ว่าได้ตรัสได้ตรัสรู้แล้วได้ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้ว ดังทาในปฐมปฐมโพธิการท่านแสดงไว้ว่าอเนกชาติสร้างสาร้างสังสร้างตาิสร้า ง, านางอนิบิสร้างเป็นต้นเราที่ได้เคยท่องเที่ยวเกิดตายในพบน้อยพบใหญ่อยู่ในห้วงแห่งสังสาราจักนี้มาจำนวนมากไม่สามารถจนไม่สามารถจะนับอ่านได้เลย ก็เพราะอาวิชาอันนี้ท่านเทียบไว้ ว, าว่าอวินหาเป็นในาช่างเรือนอะไรๆทั้งก็ว่าไปตามตำหรับตำลาอาวิชาเป็นรากฐานสำคัญเนี่ยพอถอดถอนอันรากฐานสำคัญแล้วเรื่องที่จะพาให้เกิดให้ตายในภพน้อยภพใหญ่อันเป็นริงก้าสสาขาไปในแง่ต่างๆ ของกองทุกหรือของความเกิดนั้นก็หมดสิ้นไปโดยหรือสิ้นไปโดยสิ้นเชิงนี่คือพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสยามผูทรงรู้เองเห็นเองไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่มีใครมาบอกมาสอนแต่ทรงค้นคว้ารู้เห็นได้โดยลําพังพระองค์เองจึงเรียกว่าสยามผู่ทรงรู้เอง จากนั้นก็ได้นำอุบายวิธีการที่ทรงปราบปรามสิ่งที่มีอำนาจเหนือหัวใจนี้ให้แก่ผู้อื่นเช่นสาวกมีเบญจบัคคีเป็นต้นต่างจนท่านเหล่านี้ได้เข้าอกเข้าใจวิธีการดำเนิน แล้วได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าขึ้นมานอกจากนั้นไม่มีใครถ้าไม่ได้นับการอบรมสั่งสอนเสียก่อนรู้ไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้ลึกลับมากละเอียดเกินกว่าความรู้ที่ไม่มีสติปัญญาอันเป็นทางปวดเบื้องนี้จะรู้ได้ สติปัญญาก็เป็นเครื่องมือของมันเสียถ้าพูดเรื่องสติปัญญาทำรรของคนมีกิเลสไม่ได้สนใจในธรรมต้องเป็นเครื่องมือของธรรมชาตินี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นการพิสูจน์ความรู้นี้ให้เห็นประจักษ์ไปโดยลําดับจึงต้องอาศัยภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นพระอาวาดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไ้แล้วที่เรียกว่าปริยัติคือเราศึกษาเราเรียนจากตำหนักตำลามาประพฤติปฏิบัติเริ่มตั้งแต่บุคภทวนานในขณะที่จิตมีความฟุ้งเพ้อเหอเหอไม่รู้เนื้อรู้ตัว รื้อนึ่งบันเทิงเศ ร, าโโร้าโศกเสียใจไปตามอำนาจของกิเลสแต่ไม่ทราบว่า ก, กิเลสเป็นผู้ทาผิดเป็นผู้บังคับบัญชาให้เป็นเช่นนั้นเมื่อได้อบรมทางด้านจิตตภาวนาเข้าไปตามหลักธรรมที่ด้านสอนไว <c> ้ <oughs> ยอมจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาเพียงความสงบขึ้นมาเท่านั้นก็เห็นเป็นของแปลกแล้วสาหรับ จิตใจของคนที่ไม่เคยสงบเลยเพียงเป็นความสุขขึ้นมาในขณะที่จิตสงบตามกำลังของตนเท่านั้นก็เห็นเป็นของแปลกประหลาดแล้วในความสุขประเภทนั้น <c oughs> สำหรับบุคคลที่ไม่เคยมีความสุขจากจิตสงบนี่เลยเพราะเราเคยคุกเข้ากับความสุขที่กิเลสมันป้อน พูดง่ายๆก็เพราะว่าประทังชีวิตให้เป็นไปวันในวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นมาเสียจนจำากี่แล้วไม่เห็นได้รับความพิเศษยิสูอะไรก็แค่นั้นเลยนั้นไปไม่ได้มันไม่ให้เลยเพียงประทังไว้ให้มีสื่อต อ, อบพบตอชาติไปเท่านั้นถ้าพูดภาษาของโลกทั่วๆไปก็ว่าพอประทังชีวิตไว้ไม่ให้ตายเท่านั้น แต่เมื่อความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบปรากฏขึ้นนี้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดกว่าความสุขทั้งหลายที่เคยได้สัมผัสสัมพันธ์มาจนจำจีนั้นด้วยเหตุนี้จึงทําให้ผู้ได้รับผลแห่งความสงบนั้นได้มีความสนใจต่อความสงบด้วยการเข้มงวดขวดขันหรือพยายาม ทำจิตของตนให้มีความสงบยิ่งขึ้นเมื่อจิตมีความสงบพอสมควรพอเป็นบากเป็นฐานหรือเป็นปากเป็นทางแล้วก็มีอุบายอีกแง่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าให้ใช้ปัญญาคำว่าปัญญาได้แก่ความแยบคายของจิตอาการของจิตความคิดความปรุงของจิตนั่นแล หากเป็นความแยกคลายประเภทหนึ่งขึ้นมาจากจิตท่านเรียกว่าปัญญาเป็นอาการที่เกิดขึ้นมาจากจิตสติก็เป็นอาการอนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากจิตแต่ไม่ใช่จิตหากนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่จิตได้และได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้เต็มภูมินี่ให้ท่านให้ใช้ปัญญาพินิตพิจารณา การพิจารณาก็ไม่ให้พิจารณาที่ไหนพิจารณาตรงที่กองทับกิเลสมันสมอยู่นั่นแหละรูปักขั้นโทเวทนาขั้นโทสัญญ้นอยากขั้นโทสังนกระขันโทนี่เป็นสาคัญในกองรูปคือร่างกายของเราทั้งร่างแลวของศาสต ร, ร์บุคคลทั่ ว, วไป ในเวทนาสุขทุกข์เฉยๆทั้งกายและทั้งทั้งทา ง, ง, งใจในสัญญาในสังขารในยิ่งใหเบื้องต้นท่านให้คุ้ยเขี่ยขุดค้นทางรูปคือรูปกายนี้ให้มากเพราะกิเลสมันหนาแน่นอยู่ตรงนี้มากฉากในลึกๆนั้นเรายังมองไม่เห็น เพราะกิเลสประเภทนั้นขนาดแล้มคมยิ่งกว่าประเภทที่มาจับจองมายึมมาถือมากำานาจในสกลอากาศนี้อยู่มาก mm hmm. เพียงแต่กิเลสประเภทที่มาคุมอํานาจอยู่ภายในร่างกายของเรานี้เรายังไม่สามารถมองเห็นได้ทั้งๆ ท, ที่เห็นได้ด้วยตาเนื้อนี่แหละแต่ตาใจตาปัญญาไม่มีจึงไม่สามารถมองเห็นเช่น mm hmm. มาเกซ่าลูมานาขาทันตาตะจูนี่เป็นต้นมีใครเป็นคนเห็นผมลงอย่างถึงที่ถึงฐานตามหลักความจริงของธรรมนอกจากเห็นไปตามกิเลสล้วนๆร้อยเปอร์เซ็นเท่านั้นขนเล็บก็เป็นเหมือนกันฟันก็กระดูกตามหลักความจริงแล้ว มันยังไม่เห็นไม่เห็นตามอัดตามทาแล้วรวมร่างกายนี้ทั้งก้อนหรือทั้งทั้งท่อนมีอะไรบ้างอยู่ภายใ น, นล้วนแล้วตั้งแต่วิเลศคุมอำนาจไว้หมดว่านั่นสวยนงามนั่นน่าราักให้มีหน่าชอบใจนั่นหน้ากำหนัดยินดี นั่นเป็นสิ่งกิรังถาวรหรือไม่ได้คิดถึงความกิรังถาวลเลยไม่กิรังถาวลเลยมีแต่ติดมีแต่ชอบใจถ่าเดียวว่าอันนี้จะแปรสภาพไปอย่างไรไม่คำหนึ่งตั้งแต่ความชอบใจความพอใจนี้ก็พอตัวแล้วิเรดมันหลอกเพียนแค่นี้ก็พอตัวไม่สามารถที่จะคิด ให้ถึงความกิรังถาวรหรือไม่กิรังถาวรของมันเลยถ้าคิดถึงเรื่องความกิรังถาวรมันก็จะมีอันหนึ่งแทรกขึ้นมาว่าไม่กิรังถาวรมันเลยปิดประตูไว้ไม่ให้คิดทุกขังบีบอยู่ทุกคนทั้งร่างกายและจิตใจอย่างมากก็บ่นเอาเหมือนกับว่าเป็นทางระบายออกแห่งทุกความจริงไม่ใช่เป็นทางระบายออก เป็นทางเสริมสร้างของกิเลสเป็นทางของกิเลสเดินต่างหากคิว่าบนทางนั้นบนเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นการระบายทุกมันเป็นทางเดินของทุกขของสมุทัยต่างหานี่ตามความจริงท่านสอนให้พิจรารณาที่นี่ถึงว่าอนัตตาก็เหมือนกันมันเป็นก้อนเราทั้งก้อน คือกิเลสนั่นแหละมันก้อนของกิเลสนั่นแหละอำนาจของกิเลสนั่นแหละมันปิดเอาหมดบังคับไม่อย่างไม่รู้สึกตัวเลยว่านี้เป็นเราเป็นของหลอกเป็นอัตตาตัวตนทั้งหลายจึงต้องใช้ปัญญาอันเป็นหลักความจริงที่จะลบล้างความจอมปลอมทั้งหลายนี้ด้วยวิธีการต่างๆ นับตั้งแต่เจสารุมาลงไปโดยลำดับจนกระทั่งสกลจนกระทั่งสกุลกายทั้งร่างแยกแยะดูทั้งภายในภายนอกขี้คลายดูซ้ำซ้ำ ซ, ำซากๆากถือนี้เป็นงานสำคัญประจำชีวิตจิตใจและอียาบทไม่ละไม่ถอยตามหลักธรรมของลูกเจ้าคือปัญญาพิจารณาี้คลายดูเป็นงานประจำ อาชีพของพระอาชีพของผู้ปฏิบัติเป็นงานประจําจิตของผู้จะรื้อถอนตนออกจากทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นสําคัญปิดในสิ่งเหล่านี้ด้วยอํานาจของกิเลสหลอกลวงกิเลสบังคับให้เป็นไปเพื่อจะได้ถอนตนออกจากสิ่งเหล่านี้จึงต้องทําทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถ ท, ทุกอาการของจิตที่เคลื่อนไหว ม, มีสติ มีปัญญาพิจารณาสอดส่องอยู่เสมอชื่อว่าทำงานเมื่อพิจารณาตามหลักความจริงแล้วหาที่ค้านที่ไหนได้มันเป็นเรื่องของกิเลสตังหะมาเสกสรรความรู้ความเห็นความเข้าใจของเราให้ว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่นั่นเป็นของสวยนี่เป็นของงาม น, นั่นเป็นสัตว์นี่เป็นบุคคลนั่นเป็นหญิงนี่เป็นชายความจริงแล้วถ้าจะพูดถึงเรื่องหนังหรือพูดถึงเรื่องผม ดูที่ผมเพียงตกลงในภาชนะอย่างนั้นก็ขยะขยงไม่อยากรับทานเดียวนิ้ตกเข้าไปในอาหารด้วยแล้วจะอาเกียนไปเ ร, รื่อยๆผมขนเล็บของกู้ใดก็ตามหลุดลงไปในภาชนะอาหารดูที่ดูได้ไหมฟันอย่างนี้เหมือนกันล่วงลงลงไปภาชนะดูได้ไหมรับทานนั่นไหมยขยะขยงดีไม่ดีสําหรับตั้งแต่คือเลย ร่วมบงกันอยู่มากน้อยเพียงไรก็ตามแต่กระจายเลยเพียงฟันซี่เดียวเท่านั้นตกลงไปในภาชนะสำหรับรับฐานนะและนี่แหละเรื่องความจริงเป็นอย่างนั้นแต่ทําไมจริงต้องเสดสันยออนักหนาให้ติดให้แน่นลังหนาว่านี่เป็นเนืนี่เป็นของเรานี่เป็นของสว่วนนี่เป็นของงามเพราะกิเลสมันแหลมคมกว่าใจ ใจจึงไม่สามารถที่จะมองดูหน้ามันได้มันไม่ยอมให้มองดูหน้ามันให้ก้มหน้าลงไปเหมือนกับเขาไปปล้นบ้านปล้นเรือ น, อนจับเจ้าของมัดไว้ให้นอนคว่ำหน้าไม่ให้มองดูหน้าของโจรของผู้ร้ายนั่นเลยเพราะเขามีอำนาจมองดูเขาก็ฆ่าอันนี้กิดเลสมีอำนาจก็เช่นเดียวกันไม่ให้มองย้อนหลังต่หามันเลยให้มองส่งไปทางอื่น ตามความต้องการของมันถูกมันขับมันใสให้เป็นไปตามอำนาจของมันดูตลอดเวลาลเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสมีวาสนาได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้ศึกษาเร่าเรียนหรือได้ยินได้ฟังทำจากครูจากอาจารย์ยิงเกิดความเชื่อความเมงใสในประพฤติปฏิบัติตน ในทางที่กิเลสมันจะถอยทับกลับแพ้ด้วยมีกิตาวนาเป็นสำคัญ้อธิบายเข้าสู่ปัญญาซึ่งยังอธิบายยังไม่จกเวลานี้ส่วนสมาธิก็เริ่มไปบ้างแล้วแล้วพิจารณาอย่างที่ว่านี่มันจับจองไว้ที่ไหนบ้างแทงทะลุเข้าไปด้วยปัญญา แทงเข้าไปถึงหนังอา้าวแทงเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกทุกท่อนที่มีอยู่ในร่างกายนี้มีเป็นท่อนๆเท่า น, น, นั้นเองเนื้อเราดูไหมเนื้อสัตว์เป็นยังไงทิ้งอยู่กองอยู่ตามตลาดมันผิดอะไรกับเนื้อคนทำไมเราจรึงเห็นว่านี่เป็นคนอันนั้นเป็นเนื้อนี่ก็เนื้อเหมือนกันนี่คือแยกด้วยปัญญาอย่างนี้ แล้วดูเส้นดูเอ็นดูกระดูกทุกท่อนที่เกิด อ, อยู่ตามถนนทางมีคุณค่าอะไรทําไมกระดูกกันนี้จึงเสียดสันท่ญญาญยอว่ามีคุณค่าจนทับหัวใจของแทบจะตายไม่มีวันฟื้นอยู่แล้วปัญญาสอดแทรกลงไปนี่ท่านคือปัญญาเมื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้เห็นชัดตามเป็นจริงโดยลําดับลําดับจิตจะมีความดูดดื่มจิตจะมีความยิ้มแย้มแจ่มใส ความภาคความเพียรความหอดความทนจะมาเองหมุนตัวไปโดยลำดับลำดาพิจารณาเท่าไรยิ่งแจ้งยิ่งชัดยึ่งทราบซึ้งในโอวาสคำสั่งสอนของมูลเจ้าว่าถ้าพูดถึงเรื่องอนิจจังก็ซึงนน้งอ๋อเป็นอย่างนั้นจริงๆมีทุกอาการของร่างกายและจิตใจที่แสดงออกแต่ละอาการกันต้นแน่ตั้งแต่เป็นเรื่องอนิจจังทุกขังบีบบังคับตลอดเวลา หาช่องว่างมาได้แม้แต่นอนหลับอยู่ก็ยังต้องบีดถึงต้องตื่นนอนบางทีจะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะความทุกข์เป็นบีบบังคับอย่างหนึ่นจะทนนอนหลับคลอกอยู่ไม่ได้น่น <c oughs> พูดถึงเรื่องอาุภะปฏิปูลโสโครก <c oughs> ก็ไม่มีอะไรเกินร่างมนุษย์ <c oughs> ดูให้เห็นชัดเจนอย่างนั้น ตามความจริงที่เป็นอย่างนั้นจริงเมื่อเข้าใจนี้ทัดเจ่งจิตจะฝังแน่นขนาดไหนก็ตามเพราะอำนาจของอุปาทานที่ออกมาจากกิเลสเป็นผู้หลอกลวงให้ยึดให้ถือนั้นจะถอนตัวออกมาอย่างที่ไม่เคยพบเคยเห็นประจักษ์กับใจของตอนเอง ยิดถอนอุปทานจากรูปรขันธ์เพราะความเห็นแจ้งด้วยปัญญาเป็นอย่างนี้ทีนี้มีตลกธรรมชาติแห่งธรรมล้วนๆคือเห็นตามเป็นจริงหาที่ค้านไม่ได้ที่ว่าอย่างนั้นอย่างนั้นมาแต่ก่อนนั้นเป็นเรื่องของความจอมปลอมที่กิเลสมันปักเสียบปักปันเขียนแดนเอาไว้ทีนี้ทําลายหมด เขตแดนธงกิเลสที่มันปักมันเสียบไว้ที่ตรงไหนหรือถอนออกหมดปล่อยลงสู่ความจริงล้วนๆอ น, นาละโยหายห่วงหายความยึดถือในร่างอันนี้แล้วบัตดนี้เพราะรู้ตามความจริงในขณะเดียวกันเวลาพิจารณากายน้เวทนาปรากฏขึ้นมาก็กำหนดเช่นเดียวกันเวทนากายเวทนาจิตเมื่อเวทนาทางจิต เป็นของละเอียดไม่สามารถจะทราบได้ในวาระนี้แล้วก็พิจารณาทางเวทนาทางกายดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วโดวยลำดับๆที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้เป็นการลี้คลายสิ่งที่หุ้มห่อจิตใจอุปทานในกายก็คือกิเลสที่หุ้มห่อจิตใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่จิตไปหลงว่าเป็นเราเป็นของเราก็คือ กิเลเครื่องหุ้มห่อจิตใจเมื่อเราพิจารณารูปประคันเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วเครื่องหุ้มห่ออันนี้ก็ขาดลงไปล้อยหล่อลงไปยังเหลือแต่เครื่องหุ้มห่ออันละเอียดพวกเวทนาทัญญาสังขารวิญญาณนี่เราเปิดจิตให้เห็นตามเป็นจริงของจิตว่าเป็นอย่างไรแน่กันแต่ก่อนไม่รู้อะไรเป็นจิตรู้ก็รู้ทั้งร่างรู้ไปหมดทั้งสรารพา่างกายแต่จะยึด แต่จะจับเอาจุดที่ว่าจิตจิตนั้นจับไม่ได้เพราะถูกอันนี้หุ่มห่อไว้หมดแตะเข้าไปตรงไหนเจอตั้งแต่ตัวอวิชชาปัิชาสร้างขาราสร้างขาราปัาวิญ ญ, ญาณเต็มไปหมดกิ่งก้านสาขาของมันเต็มไปหมดแต่ตรงนั้นถูกกิ่งของอวิชชาถูกก้านของอวิชชาถูกราก ฝอยของอวิชชาถูกเปลือกถูกกระพี้ของอวิชชาเมื่อใช้ปัญญาถากถางเข้าไปกิงก็ฟันเข้าไปก้านฟันเข้าไปรากปล่อยฟันเข้าไปเปลือกฟันเข้าไปกระพี้ฟันเข้าไปนี่ตั้งแต่รูปกายจนถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญารณ์เป็นชั้นช้นของกิเลสที่เข้ามาแทรกสิง่งที่เข้ามายึดถือนั้นด้วยอํานาจของอวิชชา จนกระทั่งเข้าใจอันนี้อย่างชัดเจนจิตเปิดเผยตัวขึ้นมาโดยลำดับกำดาเห็นได้ชัดมาตั้งแต่ขั้นสมาธิแล้วแต่ยังไม่ขาดจากการกับสิ่งเหล่านี้เมื่อใช้ปัญญาเป็นเครื่องตัดปันแล้วขาดไปโดยลำดับกำดาจนเบชนาสัญญาสังขารยิญญาอันเป็นส่วนละเอียดก็ขาดไปด้วยกัน หมดจากความเป็นเราเป็นของเรารูปก็ดีเวทนาทั้งสามก็ดีสัญญาก็ดีทั้งขานก็ดีวิญญาณก็ดีขาดจากความเป็นเราเป็นของเราอย่างเห็นได้ชัดด้วยปัญญา น, นี่แหละวิธีเปิดจิตเครื่องหูห่อของจิตให้เห็นได้ชัดเปิดด้วยภาคปฏิบัติกิตะพอนมาเปิดเข้าไปเปิดฟันเข้าไป ขาดสะพานเข้าไปโดยลำดับดับตัดสะพานของอวิชาปยาซึ่งออกเที่ยวหากินจนไม่มีทางออกทางรูปก็ตัดทางเวทนาก็ตัดสัญญาสังขารยียานก็ตัดทางตาหูจมูกเลี้ยงกายที่จะออกสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั้นยิ่งห่างไกลตัดเข้ามาตัดเข้ามาจนกระทั่งเหลือเกาะเดียวดอนเดียวอุโมงค์คือกิตซึ่งเป็นที่ซุมซ่อนฝังอยู่ของอวิชชา สติปัญญาเมื่อถึงขั้นนี้แล้วย่อมเกรียงไกร ย, ย่อมชาญฉลาดสามารถมากทีเดียวเกินกว่าจะนําอะไรมาคาดมาเทียบมาเสมอเหมือนได้อย่างไรก็ไม่ทนถ้าลงสติปัญญาได้ถึงขนาดที่ว่าฟันขาดสะบั้นหันแหลกเข้าไปจนถึงจุดเดียวแล้วจะจุดนั้นจะไม่ถูกทําลายเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพระนาพระอนาคามีท่านเมื่อถึงขั้นนี้แล้วท่านจึงไม่กลับมาเกิดอีก ก็เป็นอัตโนมัติของสติปัญญาทั้นนั้นแล้วท่านก้าวขึ้นสู่สุทาวาทหาชั้นตั้งแต่ชั้นต้นอวิหาอัตปาสุตส า, า, า, าสุตสีอคหนิฐาและเคลื่อนขึ้นไปโดยลําดับไปโดยลำดับไม่กลับมาอีกเลยจากอคหนิถาแล้วก้อนนี้ผ่านนี่ก็เพราะอํานาจของจิตเป็นอัตโนมัติ สติปัญญาเป็นอนมมาทำงานในตัวเองโดยไม่ต้องถูกกุีิบังคับหมุนกันไปโดยหลักธรรมชาติของตัวเองมีจิตขั้นนี้ก็เหมือนกัน ท, ทั้งที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ต้องไปกล่าวถึงสุทธาวาสห้าชั้นเน่กล่าวถึงจิตกับสติปัญญาที่รักษากันและประหารประหารสิ่งที่เป็นฆ่าศึกสิ่งที่เป็นเชื้อ ที่จะพาให้เกิดแก่เก็บตายต่อไปอีกภาย ใ, ในจิตทั้งตัวเองสุดท้ายก็ขาดชะพ้านลงไปในจุดนั้นนะอวิชาปัจจะยาสร้างข้าระอยู่ที่จุดนั้นทีน้่จุดนี่แหละอันนี้แหละที่พาสัตว์ทั้งหลายให้ไปเกิดไม่ใช่อะไรเห็นได้ชัด เมื่ออะไรๆขาดไปหมดยังเหลือแต่จิตจิตยังต้องรักต้องสงวนจิตนี่เพราะฉะนั้นจิตจึงต้องมีภพแต่ไม่ใช่ภพเหมือนภพทั้งหลายภพในสุทธาวาสห้าชั้นนี่จิตดวงนี้บอกได้ชัดๆอยู่ภายในจิตเองจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่นิพพานทีนี้เพื่อให้ถึงนิพพานทั้งเป็นทั้งสดๆร้อนๆ น, นี้ อาฟาดลงไปในจุดนั้นให้อวิชาปัญญาสร้างขาราซึ่งฝังอยู่ภายนจิตนั้นให้แตกกระจายลงไปไม่มีเหลือแล้วนั่นแหละที่นี่จะว่าแดนแห่งพระนิพพานก็แล้วแต่จะพูดไม่หิวโหยอยากจะพูดไม่ต้องการพอตัวแล้วจิดเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยทิ้งสิ่งที่ครอบหัวใจมาเป็นเวลานานได้ ขาดกระเดินลงไปแล้วอย่างเห็นได้ชัดภายใ้จิตจิตนี้จะไปเกิดที่ไหนอีกที่นี่แต่ก่อนเกิดมาเพราะเหตุไรเกิดตาเกิดตาเกิดตายมากี่พบกี่ชาติเราก็ไม่รู้เพราะอะไรพาให้เกิดให้ตายเพราะอันนี้เองนานเห็นได้ชัดเพราะธรรมชาตินี้ได้ถูกทำลายลงไปแล้วด้วยสติปัญญาอันแหลมคมก็หมดปัญหา อดีตที่ไปเคยเป็นมามากน้อยไม่ต้องไปนับให้เสียเวลามเวลาเป็นมาเพราะสาเหตุอะไรบอกชัดชัอยู่แล้วภานในจิตอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าถ้าอันนี้ยังครอบหัวใจอยู่แล้วจะต้องเป็นไปทํานองเดียวกันกับอดีตที่เคยเป็นมาแล้วไม่สงสัยแต่บัดนี้ได้ขาดจะเดินลงไปแล้วธรรมชาติที่พายก็พบพก่อชาตินี้ปัจจุบันมีรู้เท่าแล้วขาดจะบ้านหอนอกจากกัน ทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ตาดได้รู้ได้เห็นชัดเจนแล้วจึงทราบได้ชัดถึ้า้ากว่าจะเอาโลกเข้าไปเทียบร้อยเปอร์เซ็นก็ร้อยเต็มร้อยเต็มร้อยพันก็พันเต็มพันผู้นี้ได้เปิดเผยตัวเต็มที่แล้วจิตดวงนี้นี่แหละเป็นจิตแท้ที่นี่เอาในขณะเดียวกันนี่แหละคือทำแท้อยู่ที่ตรงนี้นี่แหละคือโบรุษมสุสหรือนี่แหละคือนิพพาน ถ้าวัตจะใส่ชื่อเข้าไปก็ใส่เพื่อสมมูลโดยลำพังท่านผู้รู้เห็นแล้วท่านไม่จาไปใส่ไปทำใหม่เท่านั้นพอนี่เรจคิดลึกลับขนาดไหนก็เถอะถ้าลงได้นาธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าเป็นผู้ถากผู้ถางผู้ฟาดผู้ฟันเข้าไปแล้วจะต้องถึงลากแก้วแลวถอนพรวดขึ้นมาอย่างไม่ต้องสงสัยขอให้ทุกทกท่าน นำไปปฏิบัติด้วยความเอาจิงเอาจังให้เห็นโทษแห่งความเป็นมาของเราไม่ต้องไปเชื่อผู้อื่นผู้ใดใครที่ไหนก็ตามแต่พระพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วว่าบุคคลนัตติอาชาตัดสัทุกย่ามามีแก่ผู้ไม่เกิดนี่วิชาปัญญาสร้างขาลากระตรงถึงชาติปิรุขาชาติปิรุขามะนำปิรุขังนู่นนี่หละ เป็นมาอย่างนี้อพระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีทางสงสัยอันนี้แหละพาให้สัตว์ตั้งหลายได้รับความทุกความลำบากแล้วไม่รู้โทษของมันด้วยมันไม่ยอมให้รู้เพราะมันเหนือทีนี้เมื่อสติปัญญาทันแล้วรู้หมดที่นี่เคยเป็นมาอย่างไงยังไง ร, รู้หมดมันจะเป็นอยู่กับหัวใจใดกิริยาการของสัตว์ตัวใดบุคคลผู้ใดรู้หมดเ อ, อเพราะมันเคยอยู่ในหัวใจเราแล้วนี่ ได้ปราบลงไปจนแหลกละเอียดไปแล้วไม่สามารถที่จะมาครองหัวใจเราได้อีกเหมือนอย่างแต่ก่อนหรือเหมือนอย่างหัวใจใดๆแล้วเพราะฉะนั้นมันมีอยู่ในหัวใจใดแสดงอากาคิริยาออกมาอย่างไรจึงทราบมันหมดเมื่อได้ทราบแล้วทราบหมดแจะว่าเป็นโลกาบิทูตามหลักธรรมชาติความจริงนี้ก็ไม่ผิดถึงจะไม่เป็นโลกวบิทูดูแจ้งแทงทะลุจนกระทั่งถึงสัตว์ตัวนี้ตาลับไปเกิดที่ไหนสัตว์นั้นปรการลับไปเกิดที่ไหน ก็ตามแต่ก็รู้ในหนักธรรมชาติอย่างนี้นี่เป็นคุณสมบัติของสาวกได้ในโลกวิถีในลักษณะนี้นี่แหละการปฏิบัติธรรมเพื่อจะรื้อถอนจิตซึ่งเป็นตัวนมหันต์ตโทษมหันต์ตถุกทูกอวิชชาปยาสร้างคาาเป็นนายเหนือหัวครอบงำบังคับปัญชา กดขี่กลมเห็นมาเป็นเวลานานแสนนานแล้วเราสงสัยที่ไหนไม่มีที่จะสงสัยก็ให้ยกหลักปัจจุบันนี้ขึ้นปรัพื่อปฏิบัติกําจัดมันให้ได้เถอะพระพุทธเจ้านิพานกี่ร้อยกี่พันองค์นิพานเป็นนานเท่าไหร่จะไม่มีปัญหาโดยประการทั้งปวงจะรวมกันอยู่ที่ปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้น ไม่มีทางอื่นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ไม่มีทางอื่นสิ่งอื่นเป็นเครื่องยืนยันมีอันนี้เท่านั้นเป็นเครื่องยืนยันดังธรรมท่านว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นตถาคตก็หมายถึงเห็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่แหละพร ะ, ระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเหมือนกันนี้หมดเมื่อยอมรับอันนี้อย่างเต็มที่แล้วก็ยอมรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายในขณะเดียวกันหาที่ค้านกันไม่ได้ แต่การที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามดังที่ว่านี้จึงต้องอาศัยความภาคเพียรพะกิเลสแต่ละประเภทประเภทนั้นดาเข้าใจว่าโง่นะไม่มีอะไรฉลาดหนัวกิเลสวิธีการที่จะต้องต่อสู้กิเลสนั้นจึงต้องอาศัยความฉลาดแหลมคมอาศัยความบึกบึนอาศัยความอดความทนความเอากิงเอาจังทําเล่นๆ ล, ละหล่อแหล่ไม่ได้ ถ้าเราอยากจะพ้นจากทุกข์ถ้าอยากจะเป็นนักโทษมหันตัดทุ์อยู่นี้น ก, มก็มันก็เป็นมาแล้วนี่จะอยากไปอะไรอีกมันก็เป็นมาแล้วเราสงสัยที่ตรงไหนก็มีทางเดียวเท่านั้นที่จะลื้อถอนออกตัวออกจากเปลวไฟอันใหญ่หลวงให้ถึงความสวัสดีตลอดอนันตการเท่านั้นขอให้ทุกท่านฟังให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงทํา ด้วยความภาคเพียรของตนเองการแนะนําสั่งสอนก็ได้สั่งสอนเต็มอัดเต็มผู๋ไม่มีอะไรลี้รับสําหรับท่านผู้มาศึกษาเป็นอย่างไรก็พูดให้ฟังอย่างนั้นขอให้ฟังให้ถึงใจแล้วปฏิบัติให้ถึงธรรมจะพ้นจากทุกอย่างถึงใจในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละพอพูดไปพูดไปก็หน่อยอล่ะ